ที่นี่เมื่อยี่สิบสาสิปีก่อนเคยมีหินก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งอยู่หน้าศาลาหน้าแล้วก็มีข้อความเขียนว่าที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่มิดที่เพิ่งรู้จักเดี๋ยวนี้หินก้อนนั้นก็ไม่รู้ไปไหนแล้วนะ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 มิตใหม่ที่เราน่าจะได้มีโอกาสรู้จักนะอย่างลึกซึ้งก็ยังมีอยู่นะและมิดนี้เป็นมิตรที่สำคัญมากนะซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้จักมาก่อนก็คือจิตใจของเรานั่นแหละ กิจเนี่ยน ะ, ะเป็นมิตรีประเสริฐที่สุดของเราก็ว่าได้แต่คนจำนวนไม่น้อยก็ไม่ได้ตระหนักว่ามิตรีประเสริฐที่สุดนะอยู่กับเราตลอดเวลาหลายคนเมื่อได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ถึงรู้จัก ถึงค้นพบว่าใจหรือว่าจิตของเรานี่แหละนะมันเป็นมิตรที่เป็เสร์ที่สุดอันนี้แหละคือมิตรใหม่เพื่อนใหม่นะที่อยากให้เรามารู้จักหลายคนก็อาจจะรู้จักแล้วนะแต่ก็มีจนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ตระหนักไม่เฉลียวใจเลยนะว่า มิตรทประเสริฐที่สุดนี่อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่นไม่ว่าอยู่บ้านหรือที่ทํางานอยากชักชวนให้เราได้มารู้จักมิตรทีประเสริฐนี้และถ้าหากว่าเราได้รู้จักได้ค้นพบมิตรที่ว่านี้นะก็ถือว่าการมาที่วัาปาดป่าสุกตน ุ้มค่ามากที่จริงเราไม่ต้องไม่จเป็นต้องมาถึงนี่ก็ได้นะในการที่จะพบว่าจิตใจนี่เป็นนที่ประเสริฐที่สุดของเรานะแต่ว่าบางครั้งการเดินทางเพื่อมารู้จักสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเรานี่ก็สำคัญเหมือนกัน เพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านนะก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใครควรพิจารณาหรือว่าค้นพบมิตริวานี้เลยบางครั้งการเดินทางเดินทางไกลก็จําเป็นสําหรับการค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วนะกับตัวเรามีเรื่องของมีเรื่องหนึ่งนะของเป็นเรื่องที่เล่ากันมานะ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 ในฝันนั้นบอกเลยโดยสามาวแก้งคลอนอยู่ใชัยภูมิที่หลงเจเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งใหญ่ในฝันแกก็แกเนี่ยขุดนะขุดดินนะต้ต้นไม้ก็บอกว่าเจอคุมทรัพย์มหาศาลเลยแกตื่นขึ้นมานะแกก็คิดว่าเป็นแค่ความฝัน แกไม่ได้สนใจอยู่แล้วเรื่องทรัพย์สมบัติถ้าเป็นคนทั่วไปนี่คงตื่นตาตื่นใจแต่แกไม่สนใจแต่รอกว่าฝันคืนแล้วคืนรลบเป็นอาทิตย์นะแกก็เลยเอดใจว่าหรือว่าเทวดานะจะมาบอกอะไรบางอย่างแก่แกแก็เลยตัดสินใจนะเดินทางอาสเบียนก็มีไม่มากหรอกนะ แ่ก็ใช้วิธีโบกรถบ้างนะกว่าจะขึ้นมาถึงกรุงเทพนะก็หลายวันก็ยังโบกต่ออีกนะมาชัยภูมิบางช่วงก็ต้องนั่งรถประจำทางท้องถิ่นสุดท้ายก็มาถึงนะแก่งครอตามชาว่ามีโรงเจัหยก็บอกมีนะแล้วแกก็ลองไปดู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 ยามก็ยังอยู่นะอยู่จนทั้งวันเลยนะกลางคืนก็มียามเฝ้าอยู่แถวแถวนั้นแกก็เลยต้องอาหาที่หลับที่นอนแถวนั้นล่ะกางเต็นท์เอาง่ายง่ายวันแรกก็เหลววันที่สองก็เหมือนเดิมนะมียามเฝ้าอยู่ตลอดทั้งวัน แกก็นอนทายวันที่สามก็เหมือนเช่นเดิมแกเลยรูวยว้ซึกว่มันคงไม่มีหวังแล้วล่ะระหว่างนั้นเนี่ยที่ลองที่แกกาลังตัดสินใจอยู่ว่าเอจะอยู่หรือไปนะยามก็เห็นก็เลยเดินมาหาแกถามว่าแกมาทําอะไรแกก็คิดว่าคงไม่มีอะไรต้องปิดบังแล้วล่ะมาถึงป่านนี้แนละ้วคงจะไม่มีอะไรนะล้คงเลวแล้วก็เลยบอกว่าแกนี่มาจากแดนไกลนะ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 เตียงนอของลุงหมานเนี่ยนะมันมีสมบัติมหาศาลเลยยางก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าแกถ้าเขาเชื่อความฝันเนี่ยก็ไม่ไม่หมายความว่าต้องนะลงไปถึงพัทลุงเลยเอนะอจะต้องไปตามหานะคนที่ชื่อลุงหมาน ใครนะนะที่จะทำโง่ๆแบบนั้นความฝันมันเชื่อได้ที่ไหนล่ะนะผมก็ฝันแบบนี้เหมือนกันนะพอลุงหมานได้ฟังนีกแกก็เอกใจขึ้นมาเลยเพราะว่าแกก็ยังไม่ได้แนะนำตัวสักหน่อยว่าแกชื่ออะไรแต่ฝันของยามคนนั้นนี่มันทำให้แกตัดสินใจกลับบ้านไปเลยนะแกไปถึงบ้านแกทางานแกก็เริ่มขุดเลยนะ ใต้เตียงนอนเจอนะเจอทรัพย์มหาศาลเลยนอกจากจ่ายนี่จ่ายสินที่ลูกหลานทาแล้วนะแกก็ยังกลับมาอยู่อย่างสบายแล้วก็มีเงินมีทองเอาไว้ทาบุญศนะาสนาจะช่วยเหลือคนยากคนจนลูมาอุษาดัานต้นไปถึงนะชัยภูมิแก้งครอนะจากพัทลลงเนี่ยเป็นพันกิโลจะว่าไป มันก็ไม่ศูนเปล่านะถึงแม้แกไม่เจอขุมทรัพย์ใต้ต้นไม้แต่มันก็ทําให้แกพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยขุมทรัพย์มหาศาลเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวแกมันอยู่บ้านแกตลอดเวลาการเดินทางนั้นก็ถือว่าคุ้มค่านะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าทรัพย์สมบัติมหาศาลนั้นมันจะอยู่ใต้เตียงแกมาเป็นเวลานานา น, นะหลาย10ปี อันนี้เขาต้องการบอกว่าหลายเรื่องเนี่ยต้องการบอกว่าเนี่ยของดีนี่บางทีมันก็ไม่ได้อยู่ไหนหรอกมันอยู่ใกล้ตัวเราหรือมันอยูอ่แค่ปลายจมูกนี่เองนะเราเรื่องนี้ให้ให้โยมนะฟังนะประกบอบว่ารุวงขึ้นนะก็มีคนมาเล่านะก็เป็นคนพัทลุเหมือนกันนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องราวของเขานี่เหมือนกับเรื่องของลุงหมาเลย เขาเนี่ยเป็นเอ o นจอนะเดินทางจากพัทลุงมาทำงานที่ภาคอีสานส่งเสริมชาวบ้านเกี่ยเรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องทอผ้าเรื่องอาหารเรื่องยาเพื่อให้ชาวบ้า น, นได้ค้นพบภูมิได้เห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาตัวเองะไม่ต้องตกเป็นทาสของบริโภคนิยมหรือว่าทุนนิยมก็นะาสาส่งเสริมชาวบ้านในอีสานนะให อันมาเงยหน้าอาปากด้วยอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งถูกละเลยแม้กระทั่งชาวบ้านด้วยกันเขาไม่เคยตะหนักเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเขาเองนั่นแหละนะแม่เขาเนี่ยเป็นนักทําขนมชั้นยอดเลยช่วงที่เขาได้ลางานนะมาอยู่บ้านเนี่ยเขาได้ชิมอาหารฝีมือแม่แล้วรู้สึกว่ามันเยี่ยมมากเลยเขาก็เลย ได้ความคิดว่าเออไม่ต้องไปหากินไกลแล้วไม่ต้องไปถึงอีสานแล้วอยู่บ้านนี่แหละแล้วก็เอาตํำรับอาหารขนมเนะี่ยไม่ใช่อาหารขนมของแม่นี่แหละนะมาเอามาหากินกับพี่สาวปรากว่าทําเล่นๆนี่กลายเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าแทบจะไม่ว่างแล้วเพราะว่าได้อาศัยสูตรของแม่นี่แหล ะ, ะช่วยในเรื่องการ ฟื้นฟูฐานะเศรษฐกิจของตัวเองแล้วก็พี่สาวเรื่องเขาเนี่เหมือนกับเรื่องลุงหมาเนี่ยนะก็คือว่าอุตสาห์เดินทางไกลนะสุดท้ายก็ไหนสึกก็พบว่าของดีหรือว่าขุมทรัพย์นี่มันอยู่ที่บ้านเขาตลาดเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คุมทรัพย์ที่ว่านี่มันมันไม่จาเป็นต้องเป็น เป็นทรัพย์สมบัติที่ค้าขายอะไรได้หรือว่าเป็นสูตรอาหารนะ่คุมทรัพย์ที่สําคัญนะที่มีอยู่กับเราตลอดเวลานะก็คือใจของเรานี่แหละใจของเรานี่แหละสามารถจะบันดาลความสุขให้กับเราได้ตลอดเวลาจะมีทรัพย์ใดนะที่ประเสริฐไปกว่าความสุขจากภายในนะ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 มิตรที่อยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยจะไม่มอีอาการอย่างนั้นนะก็สามารถจะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาและสามารถจะเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงเพราะบ่อยครั้งเนี่ยในเวลาที่เราทุกเนี่ยก็ไม่มีมิตรสหายคนไหนนะที่อยู่รอบข้างดูบางทีเขา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 ที่จะเป็นที่พึ่งได้บางทีในภาวะเช่นนั้นร่างกายก็เป็นที่พึ่งไม่ได้นะก็มีแต่จิตใจถ้าหากว่ามีใจเป็นมิตรนะมีจิตเป็นเพื่อนเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ความทุกข์นะมันลดน้อยถอยลงไปได้สามารถจะเป็นปกติหรือว่ามีความสงบได้แม้กระทั่ง แม้ว่าจะเจ็บป่วยมากมายเพียงใดก็ตามก็มีแต่จิตใจแล้วนี่นาะที่เวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมานะเกิดเหตุขับขันขึ้นมาจึงจะช่วยได้มีคนหนึ่งเขาเล่าว่ารถที่เขาขับนี่มันมันเกิดฉลับลงล ง, ลงครอง ลงคลองเนี่ยนะรถก็น้ำก็ค่อยมันลงคลองนี่มิดเลยนะน้ำนี่ค่อยไหลซึมเข้ามาในตัวรถที่แล้วก็ตกใจมากนะเพราะว่าถ้าน้ำท่วมรถนี่เขาก็ตายแนะ่ตอนนั้นจะเปิดประตูก็เปิดไม่ได้นะเพราะว่าความดันของน้ำข้างนอกเนี่ยมันสูงมาก เสร็จแล้วเขาก็ตั้งสติขึ้นมาได้แล้วเขาก็นึกแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเคยมีคนบอกว่าเนี่ยถ้าน้ํานเนี่ยมันค่อยๆไหลเข้ามาเข้ามาในตัวรถรอมาสักพักนะถ้าน้ํานเนี่ยเกือบจะเต็มตัวรถเนี่ยความดันข้างนอกกับข้างในจะเท่ากันจะใกล้ๆกันถึงตอนนั้นเนี่ยเปิดประตูรถเนี่ยก็จะไม่ยากอะไรเลย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 เกิดความพัดพร่สูญเสียขึ้นมานะเกิดเหตุร้ายมากระทบกับคนที่เรารักหากว่าเรารักษาใจไว้ดีหรือว่ามีจิตเป็นเพื่อนเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะคงทรงจิตทรงใจเอาไว้ได้ที่จริงความ ความประเสริฐของจิตนะถ้าว่าเราสามารถจะทำให้จิตเนี่ยมาเป็นมิตรกับเราได้มันจะมอีอนุภาพนะยิ่งกว่านั้นอีกนะก็คือว่ามไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรามีความพันผวนป่ว น, นแปลเกิดขึ้นกับชีวิตแค่ไหนนะเราก็ จะยังเป็นสุขอยู่ได้หรือว่าเป็นปกติได้นะแล้วก็ตามในสิ่งที่เราต้องสั่เนียกเอาไว้นะก็คือว่าจิตเนี่ยเป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุด ข, ของเราก็จริงนะแต่ว่าสามารถจะกลายเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุด ข, ของเราก็ได้ทำไมนะหลายคนถึงกับฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นเพราะว่า ให้ความคิดหรืออารมณ์ที่มันท่วมท้นจิตใจนะอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่มาจากไห น, นก็มาจากการที่จิตใจปรุงแต่งหรือประหยิบฉวยนะจิตเนี่ยมันสามารถจะกลับพลิกผันนี่กลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของเราก็ได้นะหลายคนประชดตัวเองนะนะประชดตัวเองเพราะว่า คนรอบข้างไม่รักคนรอบข้างเขาดูถูกเขาไม่เห็นคุณค่าซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่หลายคนเนี่ยกับประชดตัวเองด้วยการทำสิ่งที่เลวร้ายให้กับตัวเองเช่นกินเหล้าเมายาหรือว่าไปทำตัวสำ เ, เมาจาหรือสำสนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้าง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 ให้ย่ำแย่ให้เลวยิ่งกว่าเดิมเนี่ยก็เป็นก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะที่จิตสามารถจะทำได้จะเ่เราหรือว่าการคิดพุ้งซ่านคิดจนเครียดคิดจนปวดหัวคิดจนรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่แล้ว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 พอหนีไปไหนไม่ได้ทำไงก็ตัดสินใจทาร้ายตัวเองถ้าตรวจตายไม่ใช่เพราะใครเลยนะแต่เพราะจิตที่มันพลิกผันกลายเป็นศัตรตูของเราถ้าเราลองถามตัวเราเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรตูของเรา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 ก็โดยการที่เราให้ความใส่ใจกับจิตใจทุกวันนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับจิตใจน้อยมากเราไมให้ความสำคัญกับร่างกายเสียเยอะทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นการเปิดเปอร่างกายเปิดตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าเปิลเปอจิตเปอหรือว่าดูแลจิตใจน้อยเวลาที่เราให้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 สามารถจะพาเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะหลายคนก็มีความสุขการขับรถเล่นเพลินกินลมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลรถนะนะเราไม่ดูแลรถเราใช้แต่รถแต่เราไม่ดูแลรถถ้าเกิดรถเสียขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นนะมันก็สามารถจะพาเราไปเจออุบัติเหตุถึงตายได้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 มันเหมือนกับว่าพาเราตกนรกเลยก็ว่าได้ร่างกายที่เคยให้ความสุขกับเรามันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทิมแทงเราทำให้เราเป็นทุกข์หลายคนทุกข์เพราะความเจ็บป่วยมากนะจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายในส่วนนึ่งก็เพราะว่าละเลยละเลยร่างกายนี้นะบางทีไม่ใช่ละเลยเฉยๆนะ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 สิ่งนี้ต้องเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อาหารใจมันเป็นมันเป็นพิษต่อจิตใจแต่ถ้าเราเลือกรับนะรับหรือเสพสิ่งที่ทำให้จิตใจสงบเป็นสิ่งที่ช่วยจำลองจลงใจนะอย่างน้อยๆก็จะทำให้ทำให้ผ่อนคลายไม่ใช่ตึงเครียดหรือว่าดีกับนั้นก็คือนะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจสงบเจน ซึ่งก็เกิดจากการที่เราได้ทำความดีนะการให้ทานการรักษาศีนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยจะลงใจได้นะนอกเหนือจากการเสพรับสื่อต่างๆที่มันช่วยทำให้ใจเราเป็นกุศลนะการฝึกฝนนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะการฝึกฝนจิตใจนะใจที่ต้องฝึกนะนะเพราะถ้าฝึกแล้วเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพ มีคุณภาพใหม่คุณภาพดีนะซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยทำให้ใจเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีนะแต่ว่ายังช่วยทำให้ชีวิตของเราเนะจริญก้าวหน้าทำงานก็ทำงานได้อย่างมีความสุขนะการบริโภคนะเราก็ไม่ทำเกินตัว แล้วก็สามารถเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นได้การมาเจริญสติการมาทาสมาธิหรือภาวนานี่ก็จะเรียกว่าเป็นทั้งการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจก็ได้หรือว่าจะเป็นการเติมอาหารให้แก่จิตใจก็ได้ไน่ยทำให้ใจเรามีคุณภาพจนกระทั่งสามารถจะเป็นที่พึ่งของเราได้ครับพวกเราคงคุ้นเคยกับพุทธภาษิต ท, ที่ว่าตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตน พรนะพุทธเจ้าตัดช น, นิดก็เพราะดวงตาหนักว่าเนี่ยไม่มีมิตรอะไรที่จะดีไปกว่านะจิตใจของเราหรือตัวเราเองแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดแค่นี้นะพระองค์ตัดต่อไปว่าบุคคลที่ฝึกตนนะย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากเราจะได้ เราจะมีตนเป็นเพื่อนได้เนี่ยเราจะมีตนเป็นเพื่อนที่ประเสริฐได้เราก็ต้องฝึกตนนะฝึกตนนะถึงจะได้ที่พึ่งอย่างแท้จริงไม่ต้องดูอื่นไกลนะหมาเนี่ยหมาถ้าเราฝึกไว้ดีนะก็สามารถที่จะทําอะไรให้กับเราได้เยอะสามารถจะช่วยชีวิตเราก็ได้ มันมีเรื่องของหมาจํานวนมากมายนะที่ช่วยชีวิตเจ้าของเอาไว้ให้พ้นจากความตายเช่นตกน้ำหรือว่าประสบอุบัติเหตุหัวใจวายมีหมามก็หาทางช่วยเจ้าเจ้าของหรือว่าไปเดีย๋ยเช่นหมาหิบมาที่ช่วยคนที่ติดทีมะเนี่ยมันก็ช่วยเจ้าของได้เพราะว่า มันได้รับการฝึกมาอย่างดีนะขนาดหมานี่มันยังทําอะไรได้ต้องเ ย, ยอะแยะจิตใจเรานี่สามารถจะฝึกได้ยิ่งกว่าหมาสิและเพราะฉะนั้นมันก็จึงสามารถที่จะช่วยเราได้มากมายนะถึงว่าเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงนะบุคคลที่ฝึกตนย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากนะก็มีที่นึงที่พระองค์ตัดไว้นะ ก็ชัดเจนมากขึ้นคือเมื่อช่วงเมื่อตอนที่พราะสายฤบุตรปรินิพานผู้คนก็เสียใจมากเพราะว่าท่านเป็นอัครสาวกเบื้องขวาลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะผู้เจ้า ก, ก็เลยเตือนนะเตือนเตือนลูกศิษย์ว่า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 มีสติเป็นเป็นที่ตั้งมีความรู้สึกตัวเป็นที่ตั้งนะก็เท่ากับว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งเมื่อมีธรรมะเป็นที่พึ่งก็เท่ากับว่าสามารถจะมีตนเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงนะนั่นคือว่าเราได้พัฒนานะจิตใจเราให้กลายเป็นมิติประเสริฐที่สุดนะซึ่งจะสามารถพาเราเอาชนะไม่ใช่แค่ อุปสรรคต่างๆท่านั้นแต่ยังสามารถเอาชนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้แม้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะแต่ว่าใจนี่ก็สามารถจะผงาดเหนือแความแก่ความเจ็บความตายมีแต่กายที่ทุกข์นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ด้วยไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดความแก่ความเจ็บหรือความตายก็แค่บีบคั้นกายแต่ว่าใจไม่ได้ถูกบีบคั้นด้วย